ใจฟังกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดจะนวันที่เจ็ด่านันนี้นวันที่เจ็ดโพาะมันเป็นคนที่ไม่จำเรย่ง น, น, นี้จำแล้วมันก็นลืมหลงหลงลงืมลืมไปธันวาคมสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจียงบ้านหลวงพอ่อเรียว่นเดือนเจียงหดือนมี ทางนี้ว่าเดือนหนึ่งเดือนสองไปยังไงเดือนอ้ายกีเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนอ้ายเดือนงี้เดือนสามไปย่างนั้นนะมั่นว่าว่าเดินเจียงเดือนงี้คําพูดมันไม่เหมือนกันวันนี้ก็จะพูดเป็นหัวข้อสั้นๆก่อนคือมีคนเขียนหนังสือมาถามแล้วเขาก็พูดไปในท้ายเทปเลยไม่เอาเทศวันนั้นมากลัวมันจะลบของเขาเขาถามมาว่า หวัวข้อนิพพานมนิพพานาคืออะไรโดยย่อออกเขียนมาสองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงซึ่งกระแสนิพพานตอนนิพพานหลวงพอต่อเอาคาว่ากระแสอั่งนเสา ม, สามเครื่องมัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรบ้างามีอะไรเป็นเครื่องหมายเขาว่ายังไงสี่ ปฏิบัติต่อไปอย่างไรจึงจะรัดสั้นผู้ที่ละกระแสพลิพพานแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะรัดสั้นขคมหมายของเขาเอาไว้สำหรับผู้ได้ต้นทางแล้วห้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วฟังกันน้อยๆผู้น้อยๆแล้วก็จะให้อาจารย์ธนิวัฒน์กับอาจารย์ ไอ้จังโควิดเนี่ยพูดเยอะก็หลงเป็นอย่างว่ะ <c oughs> คือสัญญาอันนี้มันเลื่อนไปแต่สัญญาเรื่องจะพูดที่ตัวเองประสบ ก, การณ์นะั้นไม่เลเื่อนเลยมันต้องสว่างอยู่เสมออย่างเรียกว่าญาณปัญญา <c oughs> แต่ว่าเองนะวิญญาณปัญญากับเรื่องสมมุติจริงว่าพูดของจริงสู่กันฟังคําว่านิพานเนี่ยคนส่วนมากเข้าใจว่าตายแล้วจริงเอาสวรรค์เอานิพานตัวเองก็เข้าใจอย่างนั้น ที่แรกนะ่ไม่เข้าใจเมื่ออายุ 4, 4 6ปีมาเนี่ยไม่ฟังเสียงเลยอันนั้นเราพูดยังไงไม่รู้เรื่องอ น, นั้นคนตายแล้วมีกความสุขอยที่ไหนเอาในพันมาพูดให้กันฟังได้แสดงว่าวิพพาเนี่ยต้อก็เอามาเว้ให้คนเป็นๆที่มีลมหายใจอยู่นี่แหละได้รับความสุขประเทศนั้นและให้คนที่ยังมีสีวิจิตใจเดี๋ยศึกษา แล้วเอาไปใส่กับซีวิตประจำวัดจิตวัตรนิพพานคือความหายพยศคือความพยศหายไปหรือหายจากพยศคือมานะทิฐิหายไปแต่จัวคนยังมีอยู่พูดอีกอย่างหนึงเรื่อความยึดมั่นคือมั่นหายไปมันหายไปเองแต่ควนจริงมันไม่ได้มีแต่เรากระมันพูดว่ามันหายไปมันหนีไปที่ไหนไม่รู้คือโทสะโมหะโลภะมันหายไปอย่างนี้ คือจนพวกตามกา ม, มาสะวะผวาสะวะอภิสาสวะหายไปมันจางไปเองเหมือนกับน้ำสีย้อมผ้าเราที่แรกผ้าเราเป็นผ้าขาวที่สะอาดอยู่บริน้าสีเต็มกระป๋องแล้วมีคุณภาพร้อยเปอรเซนต์เอาไปย้อมผ้าขาวถ้าเป็นสีดําผ้าจะดําทั้งหมดเลยเพราะสีมันกินเนื้อผ้าทั้งหมดเลยเมื่อเรารู้มีสัญญานะเรียกว่าสัญญา สังขารวิญญาณเอาไว้หรเมื่อมีสัญญาแต่ไม่ใช่สัญญา嘛ก่อไก่ขอไขยังี่ดหลวงพ่อจะพูดอาจารย์คุณตรงที่เนี่ยสัญญาอันนี้ไม่ใช่ที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นสัญญาของโลกเป็นสัญญาของคนทั่วไปเป็นสัญญาของสัตว์ไม่ใช่เป็นญาของมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัญญาของพระเจ้าสัญญานั้นคําว่าสัญญานีนหมายถึงพิษอย่างนี้รู้สึกเนี่รู้สึกควรรู้สึกมี่เรียกว่าสัญญา หมายรู้จําได้สัญญาไม่มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพิษตาก็รู้เลือดไส้แหล่หัวก็รู้หายใจก็รู้กลื่อนน้หลายไปนั่นพ อ, นอรู้เรียกว่าสัญญารู้อันนี้สัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาอันนั้นสัญญาอันนี้ไม่ต้องเรียนจะศึกษาธรรมะกับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ไปศึกษากับต้นไม้ภูเขาอันนั้นอันนั้นก็ดีแต่หลวงพ่อเขา้าใจจะพูดความจริงให้รับสั้นที่สุด เมื่อปัญญาอันนี้มีมากขึ้นมากขึ้นยานเป็นวาเข้าไปรู้ในเขาว่าเข้าไปในพานเขาว่าในเทพเขาพูดว่าเข้าในพานออกในพานอันนั้นเป็นคาพูดเข้าไปรู้ความคิดเราคิดด้วยแหละรู้เข้าไปรู้อันนี้นี่แหละที่มันเคลื่อนมันไวเนี่ยยานจริงว่าเข้าไปรู้เมื่องานตัวนี้เข้าไปรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปัญญาเปว่ารอบรู้ปัญญานนจะรอบรู้ทิศทางทุกที่ทุกทางเลย เพราะว่าสัญญามีแล้วงานมีแล้วปัญญามีแล้วก็เลยเรียกว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดจิตใจให้มีจิตใจสะอาดสว่างที่คาพูด น, นั่นไม่ต้องไปฝึกมันเลยจิตใจอ่เพราะมันสะอาดมันสว่างอยู่สิ่งที่มาลุกลุ้นนั่นแหละเราต้องหาเครื่องกัน้นเมื่อเรามีเครื่องกัน้นแล้ววิญญาณปัญญาเกิดขึ้นเยกวิปัฒนายานเรียกวิญญาณ อ, อ, อันนี้ เข้ามาสกัดกัน้นไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาได้แต่ของสิ่งนั้นมันไม่มีเนื่องขณะเราไม่มีสัญญานั่นแหละมันเข้ามาเล่นงานเราอันตัวโทสะโมหะโลภะตัวความยึดมั่นถือมั่นเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้อันนีแ้แปลว่านิพพานจึงว่านิพพานนั่นหมายถึว่าเป็นความเย็นป ก, กเย็นใจหายจากพยศหายจากความยึดมั่นถือมัน่นไม่ใช่เราหายแต่อั น, นั้นหายจากเราไปหลวงพ่อมันว่าหายไปล อันนั้นมันหนีไปเองมันเพราะมันไม่มี อ, อยู่แล้วพอเรารู้สึกตัวอยู่ในข้อมีสัญญามันรู้อยู่ตลอดเวลานี่งานก็ต้องเข้าไปเข้าไปรู้อันนี้นี่เองไม่ใช่จะเหาะไปคืนนกคืนหนูอันนั้นงานของคนผู้นัน้นว่าตัววงพ่อต้องกล้าพูดอย่างนี้ยังรับรองอีกด้วยเราทุกคนมีอย่างนี้จึงจัดสามารถจะเอามาสอนคนให้คนได้รู้ธรรมะที่พระพุทธสอนนั่นอ่ะมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้น ผู้หญิงก็มีจังสันผู้ชายก็มีจังสันพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีจังสันถือศาสนาใดก็ต้องมีจังสันจีว่าสัญญาขอมหมายรู้จําได้ไม่หลงไม่ลืมเลยมันเกิดมาจากมันสมองเพราะญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดหลกรูก้ไม่ต้องไปวิภาควิจารณ์อะไรที่ไหนและเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติมันอย่างนั้นเรียกว่ามิตรภานมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยถามตอบมาดูแนะเป็นยังไงจใจใจ เสยบางไหมเนี่ยเสยไม่รู้ว่าอะไรนี่แหละหลักศาสนนิพพานอยูสอนให้คนรู้อันนี้ให้มีสัญญาไปรู้เราไม่มีสัญญารู้อันนี้แหละเรายังลืมไปมีคนมาพูดมันเลืมไปเลยมันไปเป็นสัญญาตัวนั้นผะเป็นสัญญาไปดูหน้าดูตาดูแขนดูขาอะนเกิดอุปทาน ย, ยึดอันนี้ก็เลยโกดกันขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์สอนให้มีสัญญาตัวนี้ให้มันมีเครื่องหมายอยู่ที่นี้ถูกไหมมีนิดอย่งแปลเครื่องหมายอันนี้ไม่คน อัตมาคนอัไปเห็นสีแสงผีเทวดาพระพุทธเจ้าอันนั้นมันมีมิจของคนผู้จังสันมีเม็จฉอันนั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทันว่าอย่างนั้น อ, นนนนนอาานันั้นมีมิจฉาสมถะกรรมฐานเหมือนกับคนที่ในถ้ํำเนี่ยถึงจะจุดไฟก็ตามมันหุ้มอยู่แค่นี้พอดีไฟมันตุ๊บมันไม่รู้ทิศทางเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นอั น, นั้นสมาถะกรรมฐานอันนี้เรื่องมีพานนะพอที่จะเข้าใจบาด้ข้อต่อไปปฏิบัติอย่างไร ให้ถึงซึ่งกระแสพรนิพานเนี่ยะก็ปฏิบัติพลิกมือขึ้นก็รู้สิตัวขั้วมือเลี้งก็รู้พิกตาก็รู้เลือดไส้แหล่หัวก็รู้ก้มเงยก็รู้เอียงไส้เอียงหัวก็รู้เกินน้ำลายไปในลำคอนี่ก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้จิตใจมันนึกคิดก็รู้เนี่ยพราะจิตใจมันนึกคิดก็ต้องรู้ทันทีเดียวได้กระแสเหมือนกับคนตกน้ำเนี่ย ตกน้ำทีแหละมาปุ๊บไปบ้านหลวงพอเรืตกน้ำจมนลงไปข้าวโพดดินพุ่นเลยพอเดินจมนไข้าวโพดดินเนอตีดันที่ดินโพโยขึ้นมาซสหละมองไปี่โอตาฟังยินดีพุ่นลอยไปเลยเมื่อได้กระแสพฟเดิยพ่นานจิบว่ารู้จักความคิดนี้เองความคิดนี้มันทําให้เรามีทุกข์อันเราโกดเราหลบเราหลงนั้นเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนี้เนี่ยได้กระแสจิบว่าทําสัญญาตัวนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ท่านจะสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าจีว่าสัญญาสังขานวิญญาณเลทนาเลทนาก็สวยอันนี้จีว่ามีซี่ข้ออันนี้เสร็จลูปให้ต้องพูดเลยบัด น, นี้พูดหลักสั้นคจีว่าปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้กระแสพระเด็กระแสพระนิพพานก็คือเราได้ต้นหางนั่นเองแลคือเรารู้คนคิดมีสัญญาตัวนี้มันไม่หลงไม่ลืมนี่เองอันนี้เป็นการปฏิบัติให้ได้กระแสบัด น, นี้ข้อที่สาม เครื่องวัดว่าได้ต้นทางแล้วมีอยู่อย่างไรอะไรบ้างก็โทสะโมหโลภะมันจี้จางไปแล้วก็จงลูดิแต่เครื่องหมายอันนั้นคนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเวทานานไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกเพราะโทสะโมหโลภะทุกทาลายไปแล้วแต่ไม่ทำลายอันนั้นคือมันมีเครื่องสกัดขั้นไปแล้วอันนี้ ทางไปหาพายในผ่านเล็ ก, กิเลตันาหาอุปทานก็จางคายไปแล้วเหมืองกับน้สีน้ำย้อมไม้เนี่ยเอาไปย้อมผ้าขาวมันไม่ติดแต่คุณภาพมันไม่มีแล้วแต่ปริมาณมันเต็มกระป๋องเหมือนเดิมแต่คุณภาพมันเสื่อมแล้วนิ่งจึงสินปรากฏขึ้นมาศินจึงปรากฏอันนี้เมื่อกิเลตยังหยาบสินทําลายไปแล้วซึ่งสินเป็นเครื่องกํจาจัดกิเลสตยังหยาบเยยังหยาบก็คือโพสะ โมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี้เองกิเลสเหล่านี้จางหายหรือแห้งไปสิลก็รประกูดสิ้นจึงเป็นปกติเป็นยังไนี่เป็เปว่าได้กระแสพระนิพพา น, า เ, นเดินทางอย่างนี้เท่ า, านั้นเองวันนี้สี่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะรัดสั้นร็เราไม่ไปทำงานอะไรเ่ยไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนที่ไหนดูจิตดูใจนี่เอง เพราะจิตใจมันไม่เป็นตัวไม่มีตัวทํางานก็ดูใจกินข้าวก็ดูใจเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็ดูใจเนี่ยนอนปัดบ่อนแปีงที่ก็ดูใจเป็นข้าราชการเห็นหนังสือทํางานในโต๊ะในเก้าอี้ก็ดูใจเนี่ยบ้านี้พวกเราเป็นคนซื้อคนขายก็ดูใจเนี่ยพวกเรียนหนังสือกําลังเรียนหนังสือก็ดูใจมันนึกมันคิดปฏิบัติหลักสั้นที่สุด มันคิดปุ๊บเราต้องเห็นต้องรู้เข้าใจความคิดนั้นมาจะสลายไปเลยจังว่าทุกต้องกําหนดรู้มากําหนดตัวรู้ตัวนี้ตัตัวทุกนี่มันเป็นค้อนทุกันคนเกิดมาทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละเนยเมื่อมารู้ปุ๊บอันนี้เรามันวางเองมันมักต้องเจริญทําบ่อยๆอย่าสุขี้เกียจที่ขานเมื่อโลดทําให้แจ้งมันก็เรารู้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้น มันก็ลู่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเปอย่างนั้นนี่เป็นเครื่องหมายอันนี้สําหรับผู้ได้ต้นทางแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้ให้มันรักสั้นเพราะมันลักสั้นที่สุดเนี่ยไปอย่างนั้นบัดนี้ห้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วคือมันขาดหลวงพ่อเคยพูดเคยไว้ฟังเอาเสื้อมัดที่ส้นหนึ่งมัดเทียส้นหนึ่ง ดึงตรงเป็นตัดปักเงินตัดเงิาดเมันเริ่มมาติดอย่างพี่ติท่านิดเดึอเข้าหากันบูถึงมันคาดแล้วสิว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมามันคาดแล้วมันจิบไปที่ไหนได้มันจิบมาเนี่ยมันไม่มีเครื่องต่อกันอันนี้แหละสภาพเป็นเครื่องวัดมีไใ้คนทุกคนไม่ยกเว้นหลวงพ่อจึงกล้าได้ว่าถ้าหากเราศึกษาเดี๋ยวดีอย่างไม่รู้จนจับลดลมหายใจต้องแน่นอนทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่าธรรมะเนี่ยเราจับ เมื่อได้จะเอามาใส่กับเราควรที่เอามาใส่กับเมื่อเรายังมีซีริกอยู่ที่นี่เองจริงวะมันมีแล้วไม่ใช่จะไปศึกษาที่นอกตัวเราไปอันศึกษาที่หลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องรู้เพราะมันเป็นแล้วมันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างนางเดือนหินแต่มันมันคิดเทือมันบุธันมีคนมาพูดให้เราฟังมันก็บอโก้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อมีคนมาปุ๊บพูดให้มึงบมดีอย่างทารสีปุ๊บมันเข้ามาลูกเพราะเราไม่มีสัญญาตัวนั้น ถ้าเรามีสัญญาตัวนั้นจะเลื่อนือนไม่ได้เลยอันนี้แปลว่าสัญญาทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นปัญญาจริงรอบรู้รู้อันนี้ไม่ต้องถามใครที่ไหนแล้วเพราะมันมีในเราเลยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเร า, ตาแต่ถาคตกัิเต่เงื่อไม่รูกของมไปซอกไปไปเรียนกับอาลาดาบุตรอุทคารดาบุตรจนได้สมบัติแออกจากนั้นมาอดข้าวอดน้าเน็ เลยเอาสํำลีอัดจมูกไว้อัดมูไว้เคยได้ยินบางไหมได้ยอย่างี้เพราะไม่รู้นั่นเองจู่ว่าสัต์ทั้งหลายคือเราแต่ถา้าเราเดินนี้กันเหตุือ ก, กันแล้วก็ไปนั่งภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอะระหังบ้างอะไแต้องไจะนั่งนะน้องพ่อเคยทํามาแล้วเดินพปเนี่ยเป็นอย่างนั้นอดข้าวโบกินข้าวอันนั้นน่ะเบียดเบียนตนเองแนละ้วกนะ็ยังทำอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นโแมนพระพุทธเจ้าอัน คนไม่รู้จักหางเรียกว่าทิฏฐิคือกลมเห็นนึกว่าให้จังทันแล้วมันจะได้มันจะหมุดกิเลสกิเลสนอกจะเอาไฟมาย่างเอาคือเนื้อคือมันเนี่ยเหมือนโบเมนอย่างทัน้ในประเทศอินเดียหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสียงขานเราให้หลวงพ่อฟังมี108ลอยแปดนาทีว่าทันบางคนนอนย่างไฟบางนาทีบางนางทีไม่ลงผ้าบางนาทีนอนเสี้อนอนน้ํา บางนาทีย่างตัวย่างโตแะ่เป็นวายาั108่งลอยแปดนาทีก็เพราะไม่รู้นั่นเองบัด น, นี้ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะไม่รู้เนีมันก็ต้องสอนกันไปตามคนไม่รู้เนยะรู้อย่างไม่รู้่วารู้อย่างผู้รู้บันดนี้หนังซื้อเขาวาเลยรู้อย่างผู้รู้พระพรุทธเจ้าธรวัตรสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตนะไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลาย เราพึปฏิบัติตามย่างเราแตถาคดนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราแตถาคดนี้แต่เราเลยไปไปทำอย่างนั้นกับไปนั่งเจ็ดแข้งเจ็ดผาเขาว่าอย่างนั้นทนอา้าเนี่ยอันนั้นเราเบียดเบียนตนเองเลือดเบื้จักเขาเพูดอย่างวะทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบี ย, บยนยยคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาเนี่ยท่านว่าอย่างนั้น ทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจทันวัยอย่างนั้นจีบมืดมาสว่างไปจะเข้ามามืมดบัดเนี้สว่างแล้วบัดเนี้ยเนี่ยก็จะไปถามพวกนั้นเรามีไฟมีเครื่องใต้สว่างเลยหลือไม่ต้องถามใครแล้วบัดเนี้ ย, ยว่าหยุดแล้วการศึกษาการ เ, าเรียน การฝึกทนาจะไปศึกษาได้ประโยชน์อะไรเพราะมันมีในคนเนี่ยเป็นว่ามืดมาสว่างไปสว่างแล้ววับนบัดนี้สว่างมาแต่ก่อนนะจิตใจเฮามันไม่ได้ถูกสุขภกนะจิตใจเฮามันสะอาดอยู่แล้วเกิดจากทองแม่มามืดไปบัดนี้เกิดมาแล้วก็ทําไปสะเพเหระอยากทําำยังไงก็ทําไปอยาพูดยังไงก็พูดไปตามอารมณ์เนี่ยเปหรอมืดไปตายแล้วบันนี้เป็นคนไปบัดนี้มืดมา มืดไปแบบนี้เก <c oughs> ิดมาพอแม่ก็บอกเคยพูดธรรมะบอกเคยว่าเรื่องทำบุญให้ท่านให้ว่าบอกเคยว่าอะไรละมืดมาตายก็ยังไม่เคยได้ทำบุญไม่ได้เคยบังคิดบังใจมืดมาก็มืดไปมืดมาสว่างไปบนไปสว่างมาสวาา่สวางไปบนไปแต่ก่อนเขาเกิดมาเขาบอกเคยคิดอย่างไรบัดนี้ต่อมาเขาใหญ่มาแล้วพอแม่เขาก็สอนซ้ำยิ่านำพยังไปเจริญให้สัญญาเกิดขึ้น แล้วก็ให้งานปัญญาเกิดขึ้นให้ปัญญารอบรู้เงานเกิดขึ้นปัญญารอบรู้แล้วแบบนี้แต่ว่าสว่างมาสว่างไปเพราะมันได้ทํำสกปกไว้นี่งตัดใจเดียวก็ได้นะเรื่องอย่างนถ้าฟังเข้าใจจะไปทําเอาเลยเดี๋ยวนี้นี่ทุกคนจิตใจบันเทิงตรงนี้โอ้อันลักษณะอยู่ซื่อในเพผนอุเตขาวางซื่อเปนี้อันนี้ได้ในผ่านยังไงยึผ่านสัวขาวนิดผ่านสำรอง นี่มันได้สัวเขากระยันดีจะนะนิพพานนี่นบบเป็นลูกตุ้มท่วงไวคนจริมันไม่ตายเร็วคนมันต้องมีพานให้สนทุกเมื่อทุกวันแต่ไม่เข้าใจว่านิพพานคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยตัวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้แหละจึงว่ามืดมาสว่างไปเรามีความสว่างแล้วจะไปสงสัยไปเก้อเขินทำไมเพราะรีบศึกษาตัวของเรานี่เองการทำบุญ การให้ถานการรักษาศีลดีแล้วถ้าหากรู้อันนี้นะถ้าไม่รู้อันนี้ก็ซื่องอันนั้นอย่างประโยชน์น้อยที่สุดการไปทําความสงบอยู่ในถ้านั่งกรดีแล้วแต่สงบแบบนั้นเดีย ว, ว่าสงบสมถะกรรมฐานเหมือนกับเราใต้ไฝ่ายในถ้ำเราอยู่ในถ้ำไฟมอดต๊บมืดตึบเข้ามาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้จักทิศทางเลยอันนั้นสงบแบบไม่รู้เนาะรู้อย่างไม่รู้ รู้ไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ควมจริงแต่อยากรู้แบบนั้นคนมันต้องไปศึกษาแบบเทพนั้นอันวิปัสสนากับสมถะกรมมัฐานเนี่ยมันตรงกันข้ามสมถะต้องไปนั่งเหล่านี้ให้มันสงบมาเรียบร้อยมันไม่อยากกระดุกกระดิกมันอยากนั่งให้มันสงสบายเลยวิปัสสนาจริงวาท่านสอนเอาไว้ให้มีสติพอต่างกาูบาจ่าน้อยฟัง น, นั่นนี่กำเนดรู้เนี่ยอริยบททั้งสี่ยืนก็ให้รู้ เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้อันนี้ท่านนายกรบพท่านว่าให้มีสติกำหนดรู้คู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็กก็ให้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้อันนี้รู้อย่างผู้รู้อันนี้ไม่แมแต่จะไปนั่งอยู่นะอันนั้นมัรู้ไม่อยากรู้อันนั้นมันสมงบเดยสมาธิกวิปัสสนาที่ว่าตรงกันข้ามคนไปนั่งสมาธากรร ม, มาฐานตัวเองเนี่ยนั่งไม่อยากไม่อยากยกมือเลยไม่อยากให้ทัานี่ ก็มัน ม, น ม, นมนันไม่งานมันก็ไม่สงบอิสระด้วยนะอันนั้นสงบแบบใต้โมหะสงบแบบอยู่ในถ้ำมัน ไ, ไม่ใช่สงบเรื่องปัญญาของวิปัสนาไม่ได้สงบเรื่องงานของวิปัสนาไม่ได้สงบเรื่องสัญญาไม่ได้สงบเรื่องปัญญารอบรู้อันนั้นกล้าได้จริงจริงรับรองปรวะว่พาพลาดผิดไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นคุณพลาดผิดอันนี้นะรับรองรวัติถูกต้องลอยเปอร์เซนเพราะมันขาดแล้วนี่ยมันวันอย่างนั้น ทำให้มันจนหมดเลยเดี๋ยวนี้นี่แหละไม่ต้องตายแล้วหลวงพ่อเขา้าใจอย่างนั้นอายุสี่สิหกปีหลวงพ่อรู้เรื่องเรื่องนี้มาแล้วไม่ต้องฟังเสียงใครจะพูดยังไงเป็นเรื่องของคนพูดเราต้องพูดความจริงให้คนพิสูจน์ได้เอาไปใช้ได้จริงๆเจี่ยวันนี้ก็พูดให้ฟังพีว่ามีคนนี้มาถามเรื่องที่เขาเขียนย่อๆมาเนี่ยว่าหัวข้อยุทธทานนึง่งยุทธทานคืออะไร โดยย่อเสถก็พูดหรือย่อให้ฟังสองปฏิบัติอย่างไรให้ถึงกระแสพระนิพพานกระแสพระนิพพานก็คือขคนตกน้านนั่นเนี่ยจมปิ้งไปแล้วเขาตีนยันขึ้นมาพะโลหัวสิโอจะฟังเดี๋ยวคุณลอยไปพุนตีนนะเดี๋ยวกระแสพระนิพพานที่มันรู้จักคมคิดแล้วคุณเนี่ยไม่เข้าใจานักแสดนสามเครื่องงัดว่าได้ต้นทางมีอยือย่างไรคืออะไรบ้างก็มีอยู่ที่ตัวเหานี่เดี๋ยวคุคิดกะแล้วก็จิเดินไปแบบ น, นี้ เดินไปน้ำเพียงแค้นเพียงข่าวให้กคย่างไปเห็นไหมเป็นอย่างนั้นบัดนี้ปฏิบัติงานก็บริใจเบื้งเบื้งจิตเบื้งใจเฮานี่แล้วจะไปเบิ้งที่ใดเพราะใจเฮานี้ทุกคนเป็นบอผู้หญิงก็มีคือกันผู้ชายก็มีคือกันเจ้าหัวไอเจิวก็มีคือกันคนที่ศาสนาใดก็มีคือกันฝรั่งอังกฤษก็มีคือกันให้ว่าคนแล้วมีกันหมดแม้สัตว์ในภาษาก็ยังมีนะอันเรื่องนี้แต่มันสภาษาบุกมีสัญญา ยุษสัญญาหลงพ่อวันสัญญาสาัตยเดลสลบับุรีบ่มีมียุษสัญญาคณะเสี่ยงมันหองเงี้ยสิมืมันเบิงโหลดแต่สัญญาเบิงจิตเบิงใจมันบ่มีคนมันต้องมีจิงเป็นมนุษย์เนี่ยนวลเป็นมนุษย์จึงสัญญาตัวนี้มันเกิดขึ้นนี่ว่าญาณที่เข้าไปรู้อัญญาเนี่ยเขาบอกใ้เห็นนี้เข้าไปรู้อันนี้นี่แหละปัญญาก็ารอบรู้อันนี้แหละเกิดขึ้นมานี่แหละคือว่าได้กระแสไฟมพานผนวานสังค์คือได้เห็นใจิตเห็นใจตัวเองนี่แหละมันคิดโอ้ กูเลื่อนโตเมื่อกี้นี่คนไหวกูเมื่อกี้นี่กูบนมีสติเอ๊กูบอกหุจักกูมีสัญญาบังจิตบังใจกูนี่เด้กูยังเกิดหมุดมีจิตใจขึ้นมาโอ้ทุกเด้นี่เนี่ยนว่าทุกในเรียสัตว์อันนี้เป็นไหวอย่างตันยังทุกกาหนดรู้อันนี้เคลื่อนไหวนีมันเป็นทุกอันเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกขังอันนี้จังนะทุกมันติดอยู่กับรูปอันนี้เนี่ยทุกขังอันนี้จังมันไม่เที่ยง อันควคิดมันไม่ใช่อนัตตาบังคับบรรสาบมันโบได้กันว่าอย่างนั้นมันคิดไปเป็นตามธรรมชาติของมันเราเพียงแค่รู้ให้มีสัญญารู้มันไว้เท่านั้นเองนี่จ่าเดินไปหาพระพุทธเจ้ามีเครื่องวัดอันนี้กันว่าหา้าที่สุดของการเดินทางมีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาอีกแล้วก็มันขาดจะยิไปที่มาทําไมมันขาดแล้วเนี่ย ทุกคนมันคาดได้เนี่ยเว่าจวนจะหมดลมหายใจเนี่ยแน่นอนที่สุดจว่มืดมาสว่างไปแต่ก็เไม่รู้จักบนันนี้โอ้ยไปก็ต้องบต้องจุดเทียนก็ได้เนี่ยปไปเนี่ยเนื่องจากจุดไฟก็ได้คนทุกคนจวนจะหมดลมหายใจเนี่ยต้องเอาอันนี้ละครนคือถ้าคนตายเนี่ยลืมสติลืมกําหนดตัวเองลืมจิตลืมใจจัวเองก็มืดมาก็มืดไปเท่านั้นเองเอาแหละที่พูดให้ฟังบันนี้ก็เห็นว่าสมควรพูดสัส้น ต่อาปนี้จะให้อาจารย์ทายวัฒน์กับอาจารย์โกวิดหรือใครใคก็ได้มาสนทนาพูดกันให้มันทำกลมกระจ่างขึ้นมาเราจะได้เอาไปใส่กับชีวิตของเราโลกนี้มันเป็นอย่างไงมันสับสนวุ่นวายยางไงจะแก้ปัญหามาที่ตรงไหนอาตมาก็คิดว่าสมควรที่อาตมาจะนังคอรเชิญอาจารย์โกวิดกับอาจารย์ทายวัฒน์เข้ามาพูดมาปุยกันเพื่อเป็นการจุดตะเกียงช่วยกัน ให้มีกลมสว่างให้คนเดินไปมาสะดวกสบายอย่าให้คนไปลงคูลงค้องเท่านั้นเองเอาละท้าที่สุดนี่อาจจะมาพร้อมโดยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งสังธรรมะอยู่ในสถานทีน่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตัดว่าฟัดทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นแล้วจึงนามาสอนพวกเราทั้งหลายให้พวกเราทั้งนั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ให้เราทุกคนเนี่ยได้ประสบพบเห็นเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเถิดหลายครั้งที่ฟังเทศกันที่นี่เนี่ยหลายคนก็เบื่อครับมีแต่เรื่องรูปนามนามรูปเดินจงกรมอะไรนี้นครับ กเกยคิดกันว่าจะหาวิธีที่ให้มันสนุกสนานขึ้นบ้างครับแต่แต่ก็สนุกในทางธ ร, รมปรึกษาอาจารย์ธวิวัตรแล้วว่าถ้างั้นเรามาคุยกันดีกว่าครับเรือตั้งวงจับข่าวคุยกันทั้งวงเลยครับแต่ว่าเมื่อเป็นสิบๆอย่างนี้เขาต้องต้องต้องมีคนนำสนทนาครับแล้วก็ ใครอยากจะถามใครอยากจะพูดก็เอาเลยครับผมจะพูดนึมาอก่อนนะครับว่าตามที่ผมรู้สึกเนี่ยชีวิตของคนในปัจจุบันนี้นะครับแสนที่จะอึมครึมครับคือว่าเราเหมือนนักโทษถูกเครื่องรึงรักพันธนาการเนี่ยหลายด้านความจำกัดจำกี่ทางด้านเศรษฐกิจ ที่เสรีภาพนะครับอะไรก็รู้กันอยู่มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าเมื่อสามสี่วันที่แล้วมานี่ครับรัฐบาลไทยกับลาวก็ดีกันเริ่มติดต่อกันแต่ผมนั่งดูทีวีอยู่ก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะลาวกับไทยมันก็พูดภาษาเดียวกันด้วยซ้ำมั้งควัฒนธรรมเดียวกันชาวพูดเหมือนกันจะโกรธจะดีกันทําไมต้องผ่านรัฐก็ไม่รู้ทาไมมนุษย์ตามดำพูดกันไม่รู้เรื่อง ดีกันเฉยๆก็ได้ครับไม่เห็นต้องมีใครมายุโยงให้แตกกันแล้วก็ยุโยงให้ดีกันอีกซึ่งแปลกครับผมนั่งดูทีวีไปก็เกิดความคิดน่าเสดงว่ามนุษย์ไม่มีไม่มีสิทธิพอที่แสดงออกซึ่งมนุษยธระทได้โดยตรงนะอีกสองวันเดียวยุ่งยตายกันเองครับซึ่งปลาดมากสําหรับความเห็นของผมนะครับ นี่คือลักษณะจำกัดครับทีนี้มาดูในแง่ของด้านอื่นบ้างแมาภาษาที่เราใช้นี่ก็มีลักษณะอุ้มครึมเราพูดกันอยู่ทุกวันนะครับแต่บางทีเราเข้าใจหรือรู้สึกสิ่งที่เราพูดได้น้อยโดยเฉพาะภาษาที่เกี่ยวกับด้านจิตใจดูไปรอบๆตัวแล้วนะครับกว้างไปถึงโลกภายนอกผู้คนก็ดืนนครับไม่ว่าคนจีนหรือคนไทยคนอียิปต์ คนอเมริกันคนเอสกิโม่ก็มีการที่นดนกระเสือกกระสนเลี้ยวไม่ไม่อยู่สุขแทบจะทุกแห่งในโลกนี้ครับสาจารย์ที่วัดก็เที่ยวมาหลายแห่งนะครับประเทศจีนญี่ปุ่นผมก็เป็นนักเที่ยวคนหนึ่งเหมือนกันส่วนน้องที่นั่งนี้นี่ผมยังไม่รู้ประวัติครับก็บเชื่อ ว, ว่าคงเที่ยวมาหลายแห่งรองสั้งสารก็คงมีเป็นตัวแทนที่มันนำสนทนานะครับ โดยไปพูดเรื่องเรื่องกว้างๆแล้วก็สิ่งที่สาคัญก็คือความจํากัดจำกเขียครับคือมนุษย์ได้ถูกจํากัดลงโดยที่ธรรมชาติของมนุษย์ดังที่หลวงพ่อได้อธิบายนะครับชีวิตจิตใจของมนุษย์มันไม่ได้แคบเหมือนที่ที่เป็นอยู่จิตใจมนุษย์กว้างขวางรับได้เห็นเพื่อนต่างชาติต่างภาษาก็ มีลักษณะใจดีใจกว้างพร้อมเสมอที่เอื้อเฟื้อเคือกูุณอย่างตัวอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสมมติมีโจรคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็เด็กตกน้ำโจรคนนั้นก็จะรู้ความเป็นโจรก็กระโดดเข้าไปช่วยเด็กก่อนโดยธรรมชาตินั้นมนุษย์ใจกว้างใจดีแล้วก็ใจจริงนะครับแต่ว่าจากสภาพแวดร้อมกระทำา้นมนุษย์มอน ง, งง ค่อยถูกบีบรัดจากหลายๆเรื่องและโดยพองยิ่งจากจากความยึดติดเมื่อเรายึดติดในสิ่งหนึ่งได้แล้วเนี่จิตใจก็จะแคบลงแล้วค่อยๆสูญเสียความดีที่มีอยู่แต่เดิมนั้นมาทหรืน้อยผมพูดนํำนิด น, น, นึงนี้นะครับต่อไปนี้ก็ให้อาจารย์ดิ ว, วัตเล่าเรื่องอะไรที่ประสบบ้างครับ ก็ดีครับอาจารย์ที่วัดเสนอให้มีคาถามเลยครับผมขอถามปัญหาที่พ่อทิ่งไว้เมื่อกี้คือท่านบอกว่าความรู้สึกเฉยๆนั้นคือพัะนิพานแต่ทีนี้ขณะที่เราทาบุญแล้วเกิดมีความปลื้มใจอย่ใช่ไหมหรือไม่เช่นอย่างขณะเราบวชนะบวกใหม่ๆนี่รู้สึกปลื้มใจเปแล้วหรือขณะเราไป ถวายขิ้นถวายกระป่าก็ตามบางทางรู้สึกครื้มใจขณะอย่างนี้จะเป็นนิทานแบบต้องถวายให้สามคถ้าคำว่าการทำบุญความดีใจหรือว่าการบวชมีความดีใจอยู่ก็มีความปรุงแต่ง ส่วนพนิพานก็หมายถึงความว่างหรือว่าการตัดการวางเฉยการเป็นปกติหรือการเย็นจึงแตกต่างกับความปิติหรือความดีใจหรือความสุขฉะนั้นคําว่านิพานก็จึงหมายถึงสภาวะจิตที่ถูกตัดขาดตามที่หลวงพ่ออธิบายคงจะพอเข้าใจในะโยมใครมีปัญหาอะไร ก็ให้อาจารย์กฤตเป็นผู้ถามดีกว่าอาเป็นตัวแทนครับผมคิดว่าเรื่องทางธรรมนี่้เรเรียนจากผู้อื่นเราก็จะได้รับความรู้อีกแบบหนึ่งครับเรียกความรู้ชั้นสองเหมือนกับอะไรก็ตามเนี่ยเราถามแล้วก็มีคนตอบให้เราก็รู้สึกว่าเรารู้ แต่เรารู้ภายใต้ลักษณะที่จํากัดนะรเพราะว่าเราไม่ได้รู้จริงและไม่ได้รู้เองังนั้นถ้ามาหรือมาดูตัวตัวเรามากๆเข้านะครับผมเชื่อว่ามันหมดคำถามครับเพราะผู้ถามมันไม่ไม่มีมันไม่รู้จะถามอะไรแล้วไม่รู้จะถามใครด้วยครับมันเป็นอย่างนั้นเมืถึงจุดที่เรียกว่าพอคำถามเกิดขึ้นมันก็คือรูปหนึ่งของความคิด ถ้าเราเข้าใจหลักภาวนานะครับอย่างชัดเจนและทันท่วงทีนะครับจะไม่มีคำถามเลยครับแต่นั่นไม่ได้มายรู้อะไรหมดแต่ไม่มีอะไรที่จะต้องถามแต่วที่ที่ที่ถามว่าทำบุญเพื่อเกิดพิติสุุอะไรรับ <c oughs> ก็จริงนะครับบุญนั้นเป็นสวรรค์ครับพระเจ้าท่านสอนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าทุกศาสนาจะสอนงพวกมุสลิมก็สอนให้ทำทานเขรียกชากัดครับรพวกคริสต์ก็สอนทุกศาสนาจะสอนแม้ ว, ว่าศาสนาใหญ่ศาสนาเล็กๆก็สอนทั้งนั้นหลยครับเพราะทำบุญแล้วมันก็สบายใจครับเกิดปิติสุขขึ้นมาแต่แต่ว่าสิ่งนั้นมันเคราะว่าเราทำอยู่แล้วครับแล้วโดยทั่วไปเราก็ทำบุญอยู่แล้วโดยเฉพาะชาวพุทธจะเรียกเป็นทางรุ่งพระนิพพานหรเปล่านี่ ลองฟังอุปมาที่พระเจ้าท่านเฟียมนะครับสมัยหนึ่งพระเจ้าสเสด็จดําเนินเรียบฟังแม่น้ําคงคากับพระภิกษุหมูยย่ใหญ่และขณะนั้นเองมีท่อนซุงครับลอยน้ําในแม่น้ําคงคามาในกระแสะน้ําที่ไหลเชี่ยวพระเจ้าทรงเห็นสิ่งนั้นกับพระภิกษุหมู่ใหญ่แล้วท่านก็เตือนให้ภิกษุนั่งลงที่ท่านจะสอนอะไรบางสิ่งจากสิ่งที่เห็นร่วมกันท่านตรัสว่า ดูก่อนเธอซุงท่อนนี้ถ้าไม่ติดข้างซ้ายฝั่งข้างซ้ายนะครับถ้าไม่ไปเกยฝั่งข้างฝาถ้าไม่เน่าเปื่อยจมลงในแม่น้ําถ้าไม่มีมนุษย์ลากขึ้นมาบนตะลิง่งนะซุงท่อนนี้จะไปถึงทะเลไหมพระภิกษุก็ตอบว่าเป็นจริงที่แน่นอนเหลือเกินเพราะว่าน้ําเนี่ยมันไหลลงทะเล ดังนั้นซุงท่านนี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วจะไปถึงทะเลเองโดยโด ย, โดยธรรมชาติเลยพระเจ้ตาตรัสว่าโดยการอย่างนี้โดยมาณนี้แหละชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะถึงซึ่งพระนิพพานถ้าให้ติดนวนติดนี้ติดนั้นคำพักสั่งฝังข้างซ้ายท่านเปรียบด้วยอยายตนะภายในครับฝังข้างขวาคือข้างนอกเรื่องข้างนอกนะครับเน่าในหมายความเป็นคนเลวสิ้นดีครับคือเป็นคนมีความพืชที่สามอยู่ตลอด เรียวเน่าไน่เปื่อยทีนี้มนุษย์จุดขึ้นหนึ่งหมายความว่าสุขทุกข์กับเพื่อนมนุษย์อยู่คือชอบเพื่อนสุขสุขด้วยเพื่อนทุกทุกด้วยเรียกว่าติดคนครับอีกประการหนึ่งนั้นติดเทวดาครับอันนี้สําคัญนะครับติดเทวดาคือหมายความว่าชอบปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความสงบโดยความมุ่งหวังที่มีชีวิตนี่สงบเย็นมากๆอย่างนี้เรียกว่ามนุษย์จับไว้ครับ พระเจ้าเรียกว่าที่ว่ามนุษย์จับไว้หมายความว่าเช่นสงสารแม่มัง่งสงสารเด็กสงสารลูกขนขวาก็เลยปล่อยสุขทุกข์กับคนอื่นติดเหมือนกันครับทีที้ที่มนุษย์จับไว้หมายความบําเ พ, พ็ญพุทธภาวนาเนี่ยเพื่อได้เป็นเทพหรือเทวดานับตั้งแต่การทําบุญเพื่อปิตินะครับอย่างนี้เรียกว่าติดครับแต่เมื่อไม่ติดทั้งหมดโดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะถึงถึงแล้วนะครับ นังที่ลุงพ่อพูดก็คือความไม่ติดใช่ไหมครับเมื่อกี้ท่านอธิบายอย่างนั้นผมฟังนะถ้าฟังไม่ผิดอยากฟังมาเป็นน้องบ้างครับนี่ก็ถูกกระจารย์เขี้ยวเข็นขึ้นมาแต่คิดว่าก็มาสนทนากันก็คงไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> ที่คุณลุงถามมัล ก, กีนี้ว่าการทําบุญมันเป็นทางสาหรับ ปิติที่เกิดขึ้นมันเป็นนิพพาน ห, หรือเปล่าผมจะไม่พูดถึงว่ามันเป็นหรือไม่เป็นนะฮะแต่จะพูดถึงว่า <c oughs> ลักษณะที่เรากําลังแสวงหาเนี่ยผู้ที่มันนั่งอยู่ในที่นี้ที่เรากําลังแสวงหาอยู่เนี่ยจะเรียกว่ามันความสงบก็ได้นะฮะหรือความเย็นหรือปกติตรงนี้นะฮะ ผมอยากใช้คำว่าปกติมากกว่าคือเป็นฟังเป็นคําธรรมดาธรรมดาเพราะว่าถ้าเราจะใช้คำว่าเย็นมันจะมอง <c oughs> มองเห็นภาพแอร์บ้างพัดลมลมพัดแรงๆเหมือนกับเราไปไปติดกับภาษาหรือคำพูดผมจะใช้คำว่าปกติปกตินี่ มันถ้าจะใช้คําจํากัดความกันคงคงต้องอธิบายกันแต่ผมว่าทุกคนคงเข้าใจว่าปกติคืออะไรนะฮะออย่างว่าเวลานี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อถามเมื่อกี้ขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยรู้สึกอะไรไหมล้วผมตอบว่าเฉยเฉยทุกคนคงจะตอบว่าเฉยเฉยเหมือนกันในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดอันนั้นผมคิดว่าไม่ใช่คิดนะฮะ ผมรู้สึกจริงๆว่ามันคือปกติที่หลวงพ่อยืนยันวนะ่านั่นแหละคือนิพพานผมไม่ยืนยันตามหลวงพ่อนะแต่ตัวผมเองผมก็คิดว่าปกตินี่เราคือสิ่งที่เรากาลังหาอยู่อันใดก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นแล้วผิดจากอันนี้ไปเรียกว่าไม่ใช่ปกติแล้วจะมันจะฟูหรือมันจะแฟบผิดปกติทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับรถ จะเป็นข้างซ้ายของถนนหรือข้างฝั่งถนนผิดหมดฮะข้างบนก็ผิดครับถ้ารถยนต์ขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศก็ผิดลนไปข้า ง, างทางที่ข้างขวาก็ผิดฮะข้างซ้ายก็ผิดครับรถยนต์ต้องอยู่บนถนนแต่อย่าโปรดอย่าเห็นถนนเลยเห็นรถยนต์ฮะผมพูดให้เพียงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเครื่องว่าปกติคืออะไรเท่านั้นเอง คงเป็นอาจารย์ว่านะครับเห็นพูดอะไรไคคที่เราไปหลายประเทศนึงครับพบหลายกลุ่มนะครับทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นเพราถานการณ์ของโลกนะครับโลกมันแคบลงที่จริงโลกไม่ได้แคบในกว้างมันเท่าเดิมเนะมนเมื่อล้านปีให้ก็เท่าเดิมแต่การคํานาคมสื่อสารทําให้ประเทศแต่ประเทศเนี่ยสารตัวกันขึ้นแน่นโยงใหญ่กันอยู่มนุษย์เดินทางด้วยความเร็วที่สูงมากตักวันนี้ เมื่อสักผมเชื่อว่าประมาณสอง0นปีสมัยพุทธกาลความเร็วสูงสุดก็คือเรือที่วิ่งในกระแสรมและเกวียนเทนั้นนะฮะเกวียนหรือม้าลดรถสึกในสนามรบเท่านั้นทั้วนีเนะี่ยโอ้โหมันเร็วมากครับดังนั้นไฟนิวยอร์กไปกินข้าวเนี่ยทันครับไม่ทันได้หิวสิบห้าชั่วโมงถ้าทนๆห น, น, น่อยนะครับดังนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้เองนะครับที่นำไปสู าการณึ่งึงเครียดเสียดฐานมีเหตุการณ์ในหน้าตกใจหลายเรื่องครับเช่นเด็กที่คลอดใหม่นะครับอายุสิสองขวบจะ ม, มีหน้าตาเป็นผูผ้เท่าอายุ8ปสิ่งนี้เป็นการรายงานทางวิทยาศาสตร์แล้วมองในปริยารงข้า็คือความตึงเครียดเสียดฐานความไร้สถีระภาพความน่ากลัวต่อความสูญสิ้นชาติเผ่าพันธุ์ทำให้แต่ประเทศส่องสม กำลังอาวุธระบระบไอระเบิดนิวเคลียร์หัวรบที่สะสมทุกวันนี้เนี่ยพอที่ถล่มโลกนี้ได้ครับมีประสิทธิภาพประมาณห้าหมืนเท่าของที่ลงที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิเมื่อสงครามครั้งที่แล้วครับเมื่อมีคนไปถามอันเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้มีส่วนร่วมในประมวนั้นนะครับว่าให้ช่วยพยากรณ์ <c oughs> ว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไร <c oughs> นักบัณฑิตศาตร์นักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นก็บอกว่าข้อพยากรณ์ไม่ได้ครับครั้งที่สามแต่ถ้าครั้งที่สี่เนี่ยได้มาถามว่าครั้งที่สี่จะเป็นอย่างไรก็บอกว่าครั้งที่สี่มนุษย์จะใช้ก้อนหินทุบหัวกันอีกคนหนึ่งครับเมื่อความเผาพันมนุษย์เนี่ยวินาศสิ้นหายหมดครับทั้งหมดนี้เนื่องจากความหวาดกลัวนะครับแต่ละชาติกลัวจะสูญเผาพันดังนั้นมีคนเป็นจํานวนมากที่จากความหวาดกลัวนี้ก็หันหน้าเข้าพึ่งาศาสนธรรม นะครับนนาขวัต ด, ดังนั้นคนนี้ขวัตเป็นแสนนะครับวันในใ น, ในหลวงปีหน้านี้มันล้านหนึ่งนะครับก็จะปักรถกันเนี่ยปจิกยาที่เป็นคนหันพึ่งาศาสนาเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งก็ดีครับแต่ถ้ามองให้ครบวงจรจยพบว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความสับสนก็ได้ครับคนขวัดเยอะๆนี่ยอาจจะดีก็ได้นะครับเนื่อาจจะเสื่อมมากก็ได้ครับอันนี้นเป็นข้อน่าสังเกตนะครับทีนี้ จากประสบการณ์ี่ผมพบมาเนี่ยเมื่อ400ปีนะครับศตวตรรษที่8ประเทศทางตอนตกก็ออกแสวงหาอาณานิคมเรียวยุคล่าเมืองขึ้นเรียวยุคฝรั่งตุนคนเอเชียคมเคนนะมาทั่วนี้นะครับครุจากอินเดียหรือพระจากญี่ปุ่น น, นี่ เริ่มตุนฝรั่งกันมากขึ้นเล้คือไปสอนธรรมะแต่ว่าสอนในลักษณะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า make money ไปทำเงินเพราะสอนที่นอ่นทีหนึ่งผมก็เคยไปสอนครับแล้วก็ได้เงินมาใช้บ้างเหมือนกันสอนทีหนึ่งก็สี่พันบาทตอนหนึ่งคนนะครับประมาณสามเลคเชอร์เท่านั้นเองสามสี่เลกเชอร์ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวนี้มันว่า ผมเองไม่เคยไปสารัฐครับแต่ฟังเพื่อนๆ พ, พูดว่ามีวัดเซนเกิดขึ้นเป็นร้อยสำนักจริงไหมครับอาจารย์ครับครับวัดไทยก็มากครับวัดไทยก็มากแข็งแต่ส่วนใหญ่ร้างครับคือไม่มีคนสอนแ ล, และดมทุนเงินสร้างช่อฟ้าเวลากาไว้ให้ให้นกพิราบเยี่ยวเลิศอะไร่างนนครับไม่มีผู้สอนธรรมะสอนในศาสนพิธีแล้วถ้ามีอยู่บ้างนะครับ ก็มักจะเป็นนุเพตนั่งสงบหลับตาหลับตาและสงบเป็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นชาวไทยที่ลอสงิงเจลิสอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเคข่งคว้างกันมากเขียนจมายมาเล่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> มากไปกว่า น, นั้นครับเกิดกระบวนการต่อต้านครูทางเอเชียนะผมไปพบที่สวิตเซอร์แลน ด, <c oughs> ลนด์เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มพี่น้องขาว w i ว e Brotherhood m o vement ครับคือเป็นกระบวนการที่ต้านพวกไปทึงเอเซียที่ไปสอนเพราะส่วนใหญ่นะครับที่มีชื่อเสียงไปตุนเขาทั้งนั้นเลยเช่นไปหลอกว่าจะสอนใน ห, หอได้เก็บตังค์นั่งห0พันบาทครับที่เดนนิสแพร่มาที่เมืองไทยแล้วนะครับในมหาลายัยที่เรียกว่า TM นั่ น, นครับไม่ใช่อะไรอื่นผมประหลาดใจมากเมื่อพบกับพวกสอน TM ถามว่าคุณสอนอะไรเขาบอกโอ้สอนนี่นั่งแล้วก็เดี๋ยวคลืนสมองระงับ เดี๋ยวนี้หมอในเมืองไทยนี่ตื่นเต้นกันมากครับพูดภาษาชาวบ้านนะผมอยาก่าเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องครับที่จริงสอนให้นั่งแล้วสงบลงไปถามหลตาที่ไหนในเมืองไทยเขาสอนได้ทั้งนั้นแต่แบบ น, นี้นพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับจับคลื่นสมองคลื่นสมองนะครับความตึงที่ผิวลดลงก็ดีใจคิดว่าโอ้โหพุตศาสนานี่เข้ากันได้กับวงการวิทยาศาสตร์ดูที่เขาหน้าสงสารขนาดนี้นะครับ คนในเมืองไทยนี่มันคล้ายๆมันยังไงมันเคยอยู่เคยมีของดีครับเรื่องมีปรัชนากรรมฐานประเทศเราเป็นด่านสุดท้ายของพุทธศาสนานะครับถ้าท่องเที่ยวไปอย่างจันที่วัดบอกผมเมื่อวานว่าเซนที่ญี่ปุ่นนั้นตายหมดแล้วแต่ผมเองก็ทราบมาว่าเจ้า ว, วาดเซนส่วนใหญ่ก็เล่นแชร์ครับแล้วก็มีเงินฝากใงินแบงกแล้วก็ยุ่งไปหมดคล้ายๆเหมือนกับบ้านเราทุกวันนี้อันนี้พูดกันเองนะครับพูดเล่นๆกันว่า เพื่อจะชี้เห็นว่าไอ้ที่เห่อาศาสนาเห่อธรรมะเนี่ยบางทีเห่อสิ่งที่ตายแล้วเหมือนเอาซากสัตว์มาเฉลิมฉลองกันใหม่ซึ่งมันไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในเมืองนอกเนี่ครับอย่างในประเทศเยอ ร, อรมนีนะครับก็เกิดกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมะกันเนี่ยอย่างเข้มข้นก็มีผู้ฝรั่งส่วนใหญ่นะครับเวลาฉลาดไม่ฉลาดจริงเวลาโง่ก็โ ง, ง่ เต็มที่เหมือนกันครับมันเพราะคนจริงเนี่ยมันมันจริงได้ทั้งสองฝ่ายบางทีเขาภาวนากันนั่งหลับตานี้หกชั่วโมงใช่ไหมครับทีนี้ผมได้ยินข่าวว่าเขาเก็บอารมณ์กันสามเดือนคือพรรษาหนึ่งเลยครับแล้วนั่งตลอดนั่งจะด้วยเหตุผลที่ว่ากว้างๆเนี่ยไปนะครับแต่ว่าเพื่อจะเน้นให้เห็นความสำคัญของคำสอนของลงพ่อครับที่ว่า อย่างนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆมันก็กลายมันนั่งยอกันเองก็ไม่สู้เข้าท่านะครับแต่ผมจะให้เห็นภาพพดทั้งหมดก่อนแล้วเราจึงจะรู้ว่าอะไรที่มันมันแตกต่างกันอยู่อย่างไรนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทั่วไปครับเมื่อมีเรื่องหรืออยากจะปฏิบัติธรรมะก็เข้าวัดแล้วนั่งหลับตาถือศีลกินเจ แล้วมือนว่าเป็นการกระตามที่อาจารย์หรือผู้อื่นแนะผมต้องบอกแต่ต้นว่าสติปัญญาของมนุษย์ค่อยๆถูกจํากัดจํำกีำลงจะ ต, ต้องมีคนมาบอกว่าคุณต้องกินเจนะคุณต้งอย่าหลุดพ้นได้และเราก็เชื่อครับหรือใครคนหนึ่งมาบอกคุณต้องเดินถอยหลังนะคุณจะหลุดพ้นได้เราก็เชื่ออีกอีกคนหนึ่งมาอีกทางมาบอกว่าคุณต้องหัวเดินต่างเท้านะแล้วคุณจะหลุดพ้นเราก็เชื่ออีกแบบคนในอินเดียไม่มีผิดครับสมัยพุทธกาลเนี่ย มีโยคยีเกิดขึ้นมากบางพวกคิดเอาเองก็มีบางพวกถูกสอนว่าเอาหัวห้อยเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ห้อยไว้สักสิบปีเนี่ยไฟสวนจะปรากฏขึ้นแล้วก็ประสาทพรให้หลุดพ้นได้ <c oughs> นี่ไม่ใช่เรื่องนนิยายหรือเรื่องสมัยเก่านะครับแม้ทัวันนี้ถ้าท่านไปอินเดี ย, ดยจะพบอย่างนั้นจริงๆผมเคยพบโยคยีเขานั่งดูพระอาทิตย์นะครับจดตานี่ล้นลงมานเะยิ้มเป็นเนื้อมาผมเข้าไปถาม แกรู้ภาษาอังกฤษบ้างเพราะอินเดียเคยถูกปกครองอย่างอังกฤษนะฮะถามว่าทำทำไมแกพูดแต่พูดเหมือนคนเมาเล่าครับผมสงสารเลยชวนไปกินน้ำชาครับแกพูดชี้ไม้ชี้หมืองนี่คล้ายๆว่าพระเจ้าพระเจ้าแหลงแกงเนี่ยคือคนเหล่านี้ไม่ไม่รู้เรื่องครับคิดว่าตัวเองทำอะไรแผลงๆแล้วก็คงจะดีนะบางพวกก็ที่เรียกก็เรียกโยคียกหินคงเคยได้ยินบ้างนะครับ ดังตอนนี้นนนสุดกลางแสดงฝาหีคือยกจีิงคนก็ให้เงินเอยกหินคือเอาทันโทษนะครับเอาองคชาตมามัดก้อนหินครับยาวั้งเกือบสอบครับเพราะทำทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นนักเลืนน่อนกลนจากนักเบื่กลายเป็นนักเลืนน่อนกลพลิกไปสุดขั้วยอย่างนั้นครับทีนฝ่ายกลุ่มที่ดีนะครับฝ่ายกลุ่มที่จริงจังอย่างกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเซน พุทธานุกายเซนนี่เป็นศาสนาที่น่าสนใจศา ส, สนาหนึ่งแต่ผมจะที่จริงอาจารย์วัฒนท่านสอนอยู่ในมหาลัยนะครับรู้ดีกว่าผมแต่ผมพูดว่านิดถึงว่ามันมีสอขั้นตอนครับคือเซนในจีนที่เรียกว่าชันมันอันหนึ่งแล้วก็พอไปถึงญี่ปุ่นก็เรียกเพียนมาเป็นเซนนะฮะคือคําเดียวกันแปลว่าที่จริงมันแปลว่าเพ่ง เรียกว่าชานนะครับคำว่าชานนี่เองที่เป็นชันแลว้วก็เป็นเส้นแต่สำเนียงจีนอื่นเขาเรียกว่าเสียงเสียงจงนี่ไงเสี้ยงจงแต่ว่าเมื่อไปถึงประเทศไหนนะครับมันก็ถูกย้อมสีให้คล้อยตามลักษณะพื้นเพของประเทศนั้นอย่างเส้นในจีนนี่ตามทัศน่างผมล้เหมือนว่าที่งพ่อสอนนะั้นไม่มีผิดเลยครับอาจารย์คนสุดท้ายชื่อซูยหยินครับเพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่ปีนี้วิธีสอนนั้นต้นสอนให้ลูกศิษย์เดินครับ ดแลวิ่งบางทีให้วิ่งครับให้ให้เคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งนั่นอาจารย์เซนคนสุดท้ายของแผ่นดินจีนนะฮะแล้วคนนี้เ้าว่ากันว่าเมาสือ ด, ดงนีเกรงใจมากครับเพราะสองคนนี้เป็นผู้นำสองขั้วเรื่องจิตใจกับเรื่องของทางวัตถุนี่ไเซนไปถึงญี่ปุ่นนะครับสมัยช่วงต้นนั้นดีครับแต่นานเข้านิสยัยชาญญุปนรักสวยรักงามรักธรรมชาติ ในสุดจากลักษณะเคลื่อนไหวกลายเป็นลักษณะนิ่งไปจนได้ครับเขานั่งนิ่งสะกดจิตตัวเองอะไรเหล่านี้นะแม่นิการเซนที่หนูจริงมากแล้วเนี่ยก็จงนั่งหลับตานะครับนั่งหลับตาแล้วก็ใช้คาถามูหรือหวู่หรืออะไรนี่ครับที่จริงก็ไม่ต่างจากพุทธโธสัมมาอรังอะไรนะเพราะไม่ไม่ไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนั้นไม่ไม่ถูกนะครับมันอาจจะถูกก็ได้แต่ว่า แ, แต่ทําอย่างนั้นก็ได้ผลอย่างอย่างหนึ่ง เพราะว่าไม่ใช่นั้นพระเจ้าจะไม่จัดว่ามีสัมมาวิมุตติมีมิจฉาวิมุตตินะครับพระเจ้าจัดเลยคือถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะออกอย่างนั้นเรื่องหลุดพ้นเรืองกันแต่หลุดพ้นมาบ้าบอไปตามเรื่องไม่ใช่ทางของธรรมชาติครับในอินเดียครังพุทธกาลนั้นมีคําสอนเรื่องหลุดพ้นนี่มากครับแล้วทุกๆุิกายทุกทิลัทธิมีพระอรหันต์ของเขาทั้งสิ้นครับเมืผมไปอินเดียเนี่ยผมพบพระอรหันต์ด้วยครับ เดินแก่ผ้าทงทงทงแล้วสะพั่นเชื่อกันว่าเป็นพระหรันเพราะก็มีเกณฑ์ของพระหันไม่เหมือนกับของของพุทธนะครสารวกคนสุดท้ายของพระเจ้าเรียนถามพระพุทธองค์ก่อนพระองค์จะดับขันนะครับว่าในศาสนาอื่นมีพระอรหันหรือเปล่าซึ่งเป็นคำถามซึ่งแหลมคมและเจาะแทงพระเจ้ามากนะครับเพราะแกสงสัยครับแกสงสัยเป็นคนสุดท้ายที่เข้า้าพระเจ้าก่อนท่าน จะสิ้นลมนะครับทีแรกแกถามไปหลายเรื่องพุทเจ้าห้าวทนะ่าบอกเวลาเธอเหลือน้อยแล้วอย่าถามเรื่องนี้เพราะอย่างนั้ทีนี้เขาก็ถามเจาะเข้าไปอย่างนี้พุทเจ้าท่านบอกว่ า, าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สอ ง, ท, สองที่สามที่สี่มีเฉพาะในศาสนานี้เท่า น, นั้นแล้วโลกจะไม่ว่างจากพระหันเมื่อมีสัมมาทิฏฐินะครับแล้วก็พระหันของศาสนาอื่นก็ว่างจากพระหันจากศาสนานี้ คือทนบอกมันมเหมือนกันแต่ละศาสนาในอินเดียเขามีพระหัตของเขานะครับพระหัตของลทัทธิเชนก็คือสามารถถอนผมในที่ประชุมได้ไม่ต้องโกนครับถอนถอนเร็วด้วยครับถอนเป็นกระจุกขึ้นมาเลยฝ่ายเรานี่ถือว่าเราปรงเรียกโกนก็ถือว่าเอาชนะเวทนาได้คือไม่เจ็บเครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับเขาศึกษาธรรมะแล้วเขาเรู้ว่าเพี้ยนไปนะครับ เขาหอบกระดาษมาปึกมาหาผมมาบอกอาจารย์ครับผมเข้าใจธรรมะหมดสิ้นแล้วก็เขียนชาร์ตไดแกรมมาด้วยครับเหมือนสูตรเคมีเหมือนหมือแผนผังจักรวาลเลยครับผมมองตาแล้วถ่ามไม่ดีแล้วหมอนี่ตาไม่เป็นมนุษย์นานะครับผมก็เลยยีกครับถามว่าเจ็บไหมแกบอกไม่เจ็บครับเพราะแกกลัวจะเสียเหลี่ยมว่าเป็นพระหารต้องไม่เจ็บผมแล้วไม้ตีได้หลายทีครับ จนยอมรับบาเจ็บพอยอมรับบาเจ็บเนี่ยตาใสขึ้นครับดีขึ้นเนี่ยข้ามใจผิดครับไปที่สร้างความรู้สึกเอาเองช่างเดียก็เป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่าพระหรนต้องอาบน้ำจนยี่สิบตุ่มแล้วไม่หนาวนะเป็นพระหันหลุดพนเที่ไปสร้างความรู้สึกเหล่านี้นครับและความรู้สึกเหล่านี้นี่ครับแม้ในส่วนที่นักปฏิบัติเคลื่อนไหวอย่างวิธีการของพ่อแล้วตามของลเกก็อดสร้างไม่ได้ครับ คิดอาร่งมากคิดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ผมมีข้อเสนอเข้อแนะนําว่าไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าความจริงไม่อาจเข้ามาผ่านทางความคิดได้ในโลกของความคิดมีแต่โลกของมายาเท่านั้นแต่มันคิดได้จริงนั่นนะครับเรื่องที่มันคิดขึ้นเรื่องไม่จริงทั้งเพงครับในนั้นป่วยการึงมาคิดเรื่องพันิพภานวัตชัยพนิพภานหรือไม่พนิชภาน <laughs> ใช่ไม่ใช่นนั้นไม่ต้องคิดครับความจริงไม่เคยอยู่ในะความคิด ความจริงกับความคิดในสวนทางเหรือว่าขนาบกันไปตลอดศกครับแล้ะนั่นคือโลกของนักปรากรถนักบุณนั่นเองนะครับอย่างต้นตกเติบโตได้วยความเป็นนักปรารถนาเขาคิดกันมากครับคิดๆแต่ไม่มีการจัดสรู้ดังนั้นรากฐานอะไรทำตะวันตกนะครับเป็นรากฐานของความคิดคิดขึ้นทั้งนั้นอายธรรมนะครับแต่ทางสวนออกนั้นมีรากฐานของการจัดสรู้ครับไม่ใช่นั่งนึกเอาเกิดจากการภาวนา อย่างพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ทั้งหลายทั้งทังอา จ, จารย์บ้างนะครับไม่งั้นผมก็พูดแต่คนเดียว <laughs> พุดเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่ารูว่ามันคลณศาสนา<อ>ถึงคาว่าเซ น, นอันนี้กับศาสนาพุท ธ, ธมเกี่ยวข้องกันได้อ๋ อ, อครับ <c oughs> คือเซนนะครับเป็นมิกฉาหนึ่งของพุทธศาสนาครับนะเพราะฉะนั้นเออใน การจัดแบ่ง <c oughs> พุทธศาสนาอย่างกว้างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะจัดพุทธศาสนาออกเป็นสองสายใหญ่ๆนะะสาย <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เรียกว่าฝ่ายเทรวาสนะทางใต้คือนับตั้งแต่ศรีรังกาพมา่าไทยนะฮะลาวขเขมร น, นะฮะเรียกกันว่า <c oughs> พุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสนะฮะทีนี้ีทักษิณนิกายได้ไหมบางทีเนี่ยฝ่ายใต้กฝ่ายใต้ฝ่ายใต้ด้วยนะะรคับ ทีนี้อีกสายหนึ่งนะครับก็คือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะฮะซึ่งขึ้นไปทางที่เบตนะฮะจีนแล้วก็มองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็วกลงมาทางเวียดนามนะฮะเหล่านี้เป็นพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนะฮะทีนี้ในบรรดาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเนี่ยนะฮะก็แตกก็เป็นหลายนิกายด้วยกันนะครับและในบรรดาหลายๆนิกายของมหายานนั้นก็มีนิกายหนึ่งซึ่งเรียกว่านิกายเซน เพราะฉะนั้นเซนก็คือพุทธศาสนานิกายหนึ่งนะฮะซึ่งนับถือพระพุทธเจ้าเป็นเอ่อเป็นภาษาสดาที่สําคัญเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกับที่พวกเรานับถือกันอยู่นะฮะทีนี้ลักษณะของเซนนั้นดูไปแล้วนะครับเอ่อค่อนข้างจะไม่เหมือนกับมหายานนิกายอื่นๆืนนะ่มหายานนิกายอื่นๆ น, นั้น เข้าใจว่าจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิพรามณในประเทศอินเดียนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนอุดมคติหรือว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัตินะฮะจากเดิมสมัยพุทธกาลคือมุ่งสูง่ความเป็นพระอรหันต์นะฮะคือท้งที่สุดทุกนะฮะพอนิ ก, กายมหญญายานเกิดขึ้นนะฝ่ายเหนือนะเรียกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายเหนือพะฝ่ายเหนือเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ ก็เริ่มเปลี่ยนจุดมุ่งหมายสูงสุดนะฮะมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์นะฮะคือเอาละไม่ทำที่สุดทุกแหละมาโปรดชาวบ้านดีกว่าน ะ, ะคือทำประโยชน์ให้กับชาวบ้าน <c oughs> ขนาดเดียวกันก็ปฏิบัติทําไปด้วยนะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีการสร้างแนวคิดใหม่ๆขึ้นมานะฮะเช่นมีการสร้างแนวความคิดขึ้นมาว่า พระพุทธเจ้านั้นนะฮะไม่ใช่มีเพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์คือพระสมณโคดมแต่ก่อนสมณะโคดมนั้นมีมาแล้วนับจํานวนไม่ท่วนนะและก็หลังสมัยสมณโคดมไปอีกก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกนับจํานวนไม่ท่วนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วในบรรดาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ย น, นะก็หลายพระองค์ทีเดียวนะฮะอยู่ในฐานะที่เป็น เทพเจ้ามากกว่าที่จะเป็นมนุษย์ในประวัศาสตร์นะฮะแล้วก็เนื่องจากบรรดาพระพุทธเจ้าต่างๆมีจํานวนมากมายมห า, าศาลเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้คนสับสนกันนะฮะก็เลยเกิดทฤษฎีอันหนึ่งขึ้นมาว่าในบรรดาทเทพพระพุทธเจ้าต่างๆมากมายเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะน้าที่จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นต้นตอของบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ก็เลยสมมุติเรียกว่าเป็นพระ อาิพุตนะฮะง น, นแนวความคิดเหล่านี้นะฮะรวมทั้งแนวความคิดในเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยนะฮะพระโพธิสัตว์แต่เดิมนั้นก็คืออุดมคติที่ว่าให้เราช่วยคนอื่นก่อนช่วยตัวเองนะคืออุดมคติของความไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองทีนี้พอพัฒนาเป็นนานเข้านานเข้าพระโพธิสัตว์กลายเป็นเทพเจ้าขึ้นมาอีกนะ เช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเป็นต้นน่าสนุนนานกันทีากนะครับน่าสนุนานถ้ามาน้อมบงก็มาดีนะคือจะได้ไม่ไม่ไม่ใช่แบบบรรยายคือแบบพูดกันนี่ดีไหมครับผมขอโทษนะครับที่ผมพูดแทรกมานี่ก็ประเด็นที่ท่านอาจารย์ธรัสบอกนะครับว่าพระโพธิสัตว์ไม่ต้องการจะเข้าวัณิกาานแต่เป็นผู้เห็นวัิกาผนแล้วครับดังนั้นสีอัฏฐละ เคลื่อนไหวเพื่อให้คนอื่นเข้านิพพานให้หมดแล้วตัวเองเข้าเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมทราบาบ้างเนี่ยดังนั้นจุดนี้ผมคิดว่าน่าหนาคุยกันมากครับปลาลบเหตุที่ผมวันหนึ่งผมนั่งสนทนากับหลวงพ่อครับท่านโทษนะครับที่จริงแผนการเดิมว่าจะเป็นการสนทนาดีใช่ไหมครับ วันหนึ่งผมนั่งสนทนากับพ่ออยู่นะครับแล้วถ้อยคําหนึ่งปรากฏขึ้นท่านจะหมายยังไงนั้นผมไม่ทราบครับแต่ว่ามันปรากฏกับผมอย่างคุ้มค่าดียวครับท่านพูดทํำนองนี้นะครับผมจําประโยคไม่ได้แต่จําควา ม, ไ, มได้ท่านบอกว่าถ้ายังไม่เห็นความหลุดพ้นในผู้อื่นตัวเองก็ยังไม่หลุดพ้นซึ่งสำหรับผมความรับรู้อันนี้ แผ่กว้างมากเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าความหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวจุดนี้กำมังครับที่เป็นอุดมพุทิของบริษัทว่ายกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราเห็นความหลุดพ้นในตัวเราแล้วเราต้องเห็นว่าคนอื่นในหลุดพ้นอยู่แล้วอย่างไรด้วยแต่เขาอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองแต่สมมติว่าผมเห็นว่าผมหลุดพ้นนะท่านกงไม่หลุดนี่แสดงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันมีความหลุดพ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่หลวงพอพูดตะกี้นะครับว่าสัตว์ทั้งหลายคือตถาคต เมื่อพระพุทธา้านั่งอยู่ใต้ต้นโพนะครับที่พุทธกยาหรืออะไรไม่สช่สำคัญนะคำพีฝ่ายบ้านเรานิเทราวาสบอกว่าท่านทรงพิจนาปฏิจจสมุปบาททบทวนแล้วเล่านะฮะสามตลกสมุทยาวานินโรธวานแล้วกเกิดญาณทม้งอสามสิ้นอาสวะแล้วลึกชาติได้กำหนดบุพปปกรรมของสัตว์แล้วก็สิ้นอาสวะ แล้วก็เป็นพระเจ้าแต่ค่าีพ์มหายานเนี่ยบอกว่าพระเจ้านั่งแล้วก็ลืมพระองค์ไปนะะพอตื่นมาทีด้วยแสงดาวรุ่งครับดาวรุ่งเชา้าแล้วท่านก็ออกอุทานว่าแ ท, ท้จริงแ ท, ท้จริงสัตว์ทั้งหลายคือทศ า, าคตอยู่แล้ว